้อมรับฟังให้ใจอยู่กับปัจจุบันรับรู้เสียงที่ได้ยินในหากว่าจะมีเสียงใดรบกวนสอดแทรกก็ก็ปล่อยวางจะเป็นมือมีํำคาญใจกับเสียงที่สอดแทรกมืว่าจะเป็นเสียงพูดเสียงกรนหรือว่าเสียงโทรศัพท์ เมื่อสักครู่ขณะเราหายใจเราเคยสังเกตไหมหรือ เ, รเคยได้คิดไหมว่าการที่เราหายใจเข้าและออกเนี่ยมันคือความแปรเปลี่ยนคือความไม่เที่ยงอย่างหนึง่งถ้าเราหายใจออกไปยไม่หายใจเข้าเลยัมีแต่หายใจออกอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ แต่พอเราหายใจเข้าแล้วาหายใจออกความไม่เที่ยงอันนี้ก็ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ชีวิตเรายืดขึ้นอยู่กับความไม่เที่ยงขึ้นอยู่กับความแปรเปลี่ยนไม่น้อยเลยและความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนก็เกิดขึ้นอยู่กับเราอทุกวินาทีไม่ใช่ขณะที่เราหายใจเข้าและหายใจออกเท่านั้นอนันี้ปรากฏขึ้นในขณ ะ, ะที่เราหายาใจเราเต้น การเต้นก็เป็นความเป็นอาการของความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนเหมือนกันเถาวัาจจัยอย่งนิ่งๆไม่เต้นเลยเราก็ตายในร่างกายเรานะก็มีการซ่อมแซมมีการเสริมสร้างอยู่ทุกวินาทีนี่ก็คือความไม่เที่ยงความแปรเปลี่ยนที่ช่วยค้ำจุนให้ เรามีชีวิได้นนขณะเดียกันเมื่อเราหายใจเราเคยคิดหรือไม่ว่าการหายใจเข้าและออกเนี่ยมันก็คือการคลายทุกอย่างหนึ่งถ้าเราหายใจเข้าและเราไม่หายใจออกก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราหายใจเข้าแล้วเนี่ยเราก็หายใจออก การหายใจออกก็เป็นการแก้ทุกข์และถ้าเราหายใจออกและไม่หายใจเข้าก็ทุกข์เหมือนกันและทุกข์นี้ถ้าเกิดขึ้นนานก็คือตายนัย้นการหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นการแก้ทุกข์่ง้นนี้แนี้ก็แสดงว่าทุกข์เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาและอิเลียบของเราการใช้พลิศของเราก็เป็นการพยายามแก้ทุกข์อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกขณะเราไม่ใช่ทุกเมื่อเวลาขิววันหนึ่งเราจะยี่สักสองสาครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกเวลาทุกขณะทุกวินาทีก็ตว่าได้แต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะว่าเรามีการแก้ทุกข์คลายทุกข์อยู่ทุกขณะเช่นการหายใจเข้า การหายใจออกนี่ก็เป็นการแก้ทุกข์อย่างเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกขณะแต่เราไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันมีการแก้ทุกข์อยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นไปตามธรรมชาติบางอย่างเราต้องขวนขวายทํามันขึ้นมาเช่นผิวก็ต้องไปหาอาหารมากินแต่ว่าทุกข์เพะการหายใจ ออกนะเราก็คลายด้วยการหายใจเข้าอันนี้มันเป็นไปเองเป็นไปโดยอัตโนมัตินะตามระบบของสมองของระบบประสาทในร่างกายของเราไอเราเพิงจะนักว่าเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันกำลังสะท้อนให้เราสแสดงให้เราเห็นถึงความจริงที่ว่าทุกเนี่มันอยู่กับเราตลอดเวลา ในบทธรรมวัดเช้าจะมีข้อความตอนบอกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเพื้องหน้าแล้วในเวลาที่เรารสึกมีความสุขมีความดนดีมีความร่าเริงเนี่ยเราอยวเพิ่งลืมไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาความทุกข์มันอย่างในตัวเราแล้วมันอย่างอยู่ในกายมันก็มันก็อย่างอยู่ในใจและใช่แต่เท่านั้นนะข้างหน้าเราก็มีความทุกข์รอยอยู่ได้แก่ความเจ็บป่วยความพัดพราาความสูญเสียนี่คือสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าความเจ็บป่วยรอเราอยู่ข้างหน้าความพัดพร่าสูญเสียคนรัก พ่อแม่เพื่อนที่น้องกําลังรอเราอยู่ข้างหน้ารวมทั้งความตายด้วยรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันใกล้ไก ล, กลแค่ไหนความตายเราก็คงได้ยินได้รับรู้มานะว่าเราตายได้ทุกเวลาความภาพเศรูาเสียเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลา ความเจ็ความปวดเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะอันนี้จะว่าเป็นข่าวร้ายก็ได้นะสําหรับคนที่คาดหวังความสุขในชีวิตแต่ข่าวดีก็คือว่าแม้ความทุกข์มันจะอย่างอยู่ในตัวเราอยู่ทุกขณะแม้ว่าความทุกข์จะรอเราอยู่เบื้องหน้า แต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจไม่ทุกข์ก็ได้ป่วยก็แค่ป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยทำได้พัาดพรากสูญเสียคนรักของรักแต่ว่าใจไม่ทุกข์ทำได้แม้กระทั่งตายนะ ตายโดยไม่ทุกข์ตายด้วยใจสงบนี้เป็นไปได้อันนี้เป็นข่าวดีนะันนที่บอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนรับทุกนิยมเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดนะเพราะว่าในทุกข์นั้นเนี่ยมันมีสุขที่จะให้เราได้สัมผัสพูะุทธเจา้าตัดว่าผู้มีปัญญาแนะประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบ ศา ส, สนาพุทธเป็นศา ส, สนาที่ให้ความหวังกับมนุษย์ว่าเราสามารถจะมีความสุขได้แม้จะถูกทุกข์รุมเราแม้จะถูกทุกข์อย่างเอาแล้วแม้จะมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าข่าวดี่ยืนนั่นคือว่าความทุกข์เนี่ยมันสามารถจะพาเราไปพบธรรมะได้นะ แล้วเมื่อเราพบธรรมะเมื่อไหร่เนี่ยความสงบความสุขความโปร่งเบาความอิสระก็จะมันเกิดขึ้นทุกันมันมีประโยชน์นะเราอย่ากลัวทุกคนที่กลัวทุกเราเห็นว่าทุกเนี่ยมันเป็นแต่สิ่งเลวร้ายเมื่อคนที่กลัวความตายเขาเห็นว่าความตายเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ีจริงความทุกข์ก็ดีความตายก็ดีความเจ็บปวยก็ดีก็มีข้อดี ขอดีอันนึ่คือมันพาเรามันผลักเราให้ไปเจอธรรมะพวกเราอา จ, จะรู้จักนะเคยินชื่อท่านโกหันกาท่านเป็นพิปัสชนาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคนหนึ่งนะในประเงคาพุทธท่านเพิ่งเสด็จไปเมื่อสองสมปีก่อนพื้นเพศท่านเป็นคนฮิน ด, ดูเป็นพ่อค้าที่ร่ารวยเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและชีวิตท่านเนี่ยก็คงจะรุ่งโรจน์ในทางโลกได้ แต่ว่ามีปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านคือท่านป่วยเป็นไมเกรนปวดอย่างแรงไมเกรนเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายเคยรักษาด้วยมอร์ฟีนก็ปรกฏว่าติดมอร์ฟีนไมเกรนไม่หายแถมติดมอร์ฟีนกะ็้ีไปกว่าจะรักษาให้หายจากมอร์ฟีนได้เนี่ยนะก็นานแล้วเมื่อ มเมื่อหมดหนทางในการรักษาไมเกรนพอมีคนแนะนำว่าลองไปทำสมาธิภาวนาสิมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อท่านอุบาคีพอมาท่านสอนทาได้ท่านกวนก้านี่เป็นคนเชื้อแขกนะอินเดียศาสนานักตือศาสนาฮินดูไม่สนใจพุทธไม่มีพื้นความรู้ด้านนี้แต่ว่าความปวดความทุกข์มันพละให้ท่องเข้าไป ลองปฏิบัติทำเพราะไม่มีทางเลือกและนั่นแหละคือจุดเกลี่นสำคัญของชีวิตท่านทำให้เห็นอนิสงฆ์แห่งธรรมะและทำให้การมาเป็นไม่ใช่แค่ผู้ฝ่ายธรรมนะแต่การเป็นธรรมาจารยนะ์ที่มีบทบาทสำคัญมากในโลกยุปัจจุบันคำว่าวิปัสสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยไม่ต้องการคำแปลแนละ้ว แต่ก่อนจะต้องแปลวิปัสิปัสนาคืออะไรแต่ฝรั่งนี่เข้าใจว่าวิปัสนาคืออะไรเพราะเป็ น, ปนสมารคือเพราะท่านโกเอง้าเนี่แหลนะท่านทําให้คำ ว, วิปัสติคือปัสนาเนี่ยมันกลายเป็นคำที่คําสามัญที่ฝรั่งเข้าใจอนี้เป็นตัวอย่างเลยนะว่าความทุกข์เนี่ยมันปรับให้เราก็หาทำ ม, มาได้บางคนเจ็บป่วยกโรงมาเร็งให้ก่อนป่วยก็ไม่ได้สนใจทำมาแต่พอเป็นมะเร็งเนี่ย รู้เลยนะว่าเงินทองชื่อเสียงงานการเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้มีที่ครึ่ง อ, อย่างเดียวคือธรรมะก็เลยเข้าหาธรรมะได้ได้พบธรรมะติดใจสงบติดใจโปร่งเบาหลายคนบอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งช่วงนี้ที่เป็นมะเร็งเช่นเด้กับหลายคนนะที่ในช่วงเศรษฐกิจปีสี่ศูนเนี่ยล้มละลาย ไม่เหลือทางออกแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ความรู้จบเริงยาเองนะแต่พอเจอวิกฤตชีวิตเพราะว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวหตัวไม่รอดเพราะมันเป็นแต่ความรู้ทางโลกจอกระทั่งได้เขามีคนแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมก็สามารถ เรื่องจิตออกจากความทุกข์ได้นี่ยังมีอยู่สิบล้านร้อยล้านยังคาอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ละมีนี่ก็แก้ไปมีนี่ก็ชราระไปแต่ใจไม่ทุกขนะ์มีนี่ไม่แปลว่าเราต้องทุกข์ใจนะมีนี่แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้มีคนต้องเสียนะลูกนะลูกอายุสิบห้ามา ขอแม่ไปเรียนต่อที่พิทยอินเดียแม่ก็เห็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่ช่วยตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่ครับก็เลยอ น, นุญาตให้ไปลูกไปเรียนได้ไม่กี่เดือนประสบัติเหตุจมน้าตายแม่เสียใจและแม่ก็โทษตัวเองว่าเนี่ยเป็นเพราะตัวเองอ น, อนุญาตให้ลูกไปลูกถึงตายถ้าเกิดแม่อนุญาตลูกก็ไม่ตายแม่โทษตัวเองนะ ฉันไม่น่าให้ลูกไปเลยฉันน่าจะห้ามลูกมันเป็นความทุกข์ที่ที่เจ็บปวดมากนะความรู้สึกผิดเนี่ยไม่มีทางออกจนกระทั่งมีคนแนะนําให้ไปปฏิบัติธรรมเมื่อไปปฏิบัติธรรมแล้วก็กค่อยๆปลื้มความทุกขออกไปเริ่มจากการที่เห็นความจริงของชีวิตว่าความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิตแล้วคนเราจะตายเลยตายช้าก็ขึ้นอยู่กับกรรม เราทุกคนมีการเป็นของตนอันนี้ก็ทําให้เปลื่องใจแต่ความเศร้าแต่แต่ความรู้สึกผิดยังมีอยู่แต่ว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญสติที่ทําให้รู้เท่าทันความรู้สึกทุกความรู้สึกผิดเนี่ยอย่างที่อาจารย์สุสพีพูดถึงเรื่องของอินทรียสังวรก็คือการรักษาใจไม่ให้ยินร้ายหรือยินดีนะเมื่อตาเห็นรูปผู้ที่ดเสียงหรือว่าจิตมันเกิดความคิด ถ้าพอมันมีความคิดความสุขผิดปุดขึ้นมาในใจมีสติเห็นมันแค่รับรู้มันเฉยๆแล้วก็วางแค่นั้นมันก็วางลงได้ในสุดเนี่ยความสุขผิดที่เคยมารบกวนทางความจิตใจก็หายไปจิตใจเธอก็เธอกโปร่งโล่งเบาสบายเป็นความสุขที่สงบ ก, กว่าตอนที่ยังไม่เสียลูกอีกเธอถึงกับพูดว่าขอบคุณ ความตายของลูกที่ทำให้แม่ได้พบธรรมะความตายของลูกเป็นสิ่คุ้มค่าที่ทำให้แม่ได้มาพบชีวิตใหม่ยั ง, อ ง, องบอกว่าความพระพายสูญเสียเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องจบลงด้วยความทุกข์ใจพระพ่ายสูญเสียคนรักของรักแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ไดนะ้อันนี้ก็เพราะอาศัยธรรมะ น, นะทุกเนี่ยนะมันผลักให้เข้าหาธรรมะ แต่น่าเสียใจที่บางคนพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยกลับเลือกทางที่เป็นอนธรรมหรือเป็นทางอบายามุกนเช่นกลุ่มขอกุ้มใจก็เลยไปกินเหล้านะหรือแม่ก็ไปชดชีวิตนะทำตัวเลวแหลกหรือมิฉะนั้นก็ฆ่าตัวตายอันนี้ก็มีอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกมีศักยภาพที่จะผลักให้เราข้าหาธรรมะได้ และเมื่อเจอธรรมะก็เจอความสุขที่จริงทุกเนี่ยไม่เพียงแต่ผลให้เราก็หาธรรมนะตัวทุกเองเนี่ยมันยังเป็นธรรมะด้วยเมื่อแต่ก็ตามที่เราเจอทุกให้เรารู้ว่านั่นแนหะเรากําลัางเจอธรรมะทุกทําให้เราพบธรรมะได้ในสาัตรการเนี่ยนะมีบุคคลมากมายที่ท่านเห็นธรรมเพราะความทุกข์ เนนานกีสาพตมีนางปตาจารานางกีสาพตมีเสียลูกอายุยแค่ปวกสองปวกกำลังน่ารักไม่ยอมรับว่าลูกตายก็พาอุ้มศพลูกไปใ ห, ให้ใครต่อใครช่วยปลุกให้ฟืน้นหรือช่วยเสดบรรดาให้ตื่นทุกคนก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วนางกีสาพตมีก็ยอมรับไม่ได้ไม่เชื่อ สุดท้ายก็มีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าจะช่วยเธอได้เธอก็ดีใจพุ่มสมลูกถามพระพุทเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยเห็นนำํำก่สากรมีพุ่มศมลูกนี่รู้เลย ว, ว่าสอนธรรมะไม่ได้ยังสอนไม่ได้กาใจนี่นไม่เปิดรับก็จึงออกอุบายให้หนางไปหาไม่ผักกาศจากบ้านที่ไม่มีคนตายและจะช่วยได้นางก็ดีใจพุ่มสมลูกไปให้เข้าไปในเมืองเชตวันไปถามว่า มีกกไหมประกาศไหยก็ได้ก็ตอบว่ามีทุกบ้านมีมดแต่ทุกบ้าน<ม>พอถามว่ามีใครตายก็มีคนตายทั้งนั้นเจอระนัดเจระนัดเธอก็รู้ว่าความตายเป็นธรรมดาชี้ยอมรับความตายของลูกได้เอาศพลูกไปเผาแล้วก็มาเข้าพิธเจ้าตอนนี้แหละพุทธเจ้ารู้ว่านางจิตของนางเนี่ยพร้อมจะฟังธรรมานะก็แสดงธรรมแสดงธรรมเนี่ยธรรมที่แสดงก็ก็เป็นเรื่องความทุกข์นะพุทธเจ้าตอบว่าเนี่ย ว่ามรตยูเนี่ยยอมพัดพาผู้ที่หลงไหลในทรัพย์ในในรูปในคนรักเนี่ยเช่นเดียวกับน้ำป่าที่พัดพาผู้ที่นอนหลับไหลฉะนั้นนางกิสาภวทธมีซึ่งเจอความทุกมาสดๆร้อนๆเนี่ยพอได้ฟังธรรมะสั้นๆท่าเนี่ยนางก็เห็นแจ้ง เ, เห็นแจ้งเลยเนะว่าชีวิตมันเป็นทุกข์มากและขอทุกข์นี่แหละคไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่น เพราะว่าอะไรแล้วก็แปรเปลี่ยนพอพิจารณาตามจิตก็เกิดปัญญาเป็นพระโสดาบันสพระโสดาบันในฉับพลันนั่นเองน้นประตาจราก็เหมือนกันนะนันนี่หนักอีกนะเสียลูกสองคนเสียผัวเสียพ่อเสียแม่แต่ก็พรอความทุกนั่นแหละ พอได้หันมาไข่ควรจากคำแนะนำของผู้ตรเจ้าปัญญาก็เกิดเพราะทุกข์ในนียมันเป็นธรรมะทุกข์ตัวมันเองนเนี่ยมันสอนธรรมให้กับเราว่ามันไม่มีอะไรที่ยึดมันถือมันเลยเลยและพอยิดมันถือมันนนี่แหละที่ทำให้ทุกข์นะทุกข์ใจนะอันนี้เปตัวอย่างมากมายคนที่พอเจอทุกข์แล้วเนี่ยพบธรรมะ โดยทีไ่ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้นะตัวอย่างที่ตัวผพูดตอนต้นๆเนี่ยคือตัวอย่างคนที่เจอทุกข์แล้วเข้าหาธรรมะไปวัดไปปฏิบัติธรรมแต่บางคนเนี่ยทุกข์เนี่ยมันเป็นเชื้อที่ทำให้ปัญญาเกิดมากบ้างน้อยบ้างนะอย่างเช่นเมื่อเมื่อปี54เนี่ยก็มีน้ำท่วมใหญ่เกิดนะขึ้น ในหลายภาคของประเทศก็มีคนเสียเนื้อประดาตัวมากมายบางคนเสียทรัพย์ไม้พอเสียจริตเพราะปล่อยวางไม่ได้บางคนทะเลาะจนแยกกันแยกทางกันระหว่างสามีภรรยาเพราะโทษกันไปโทษกันมาแทนที่จะเสียทรัพย์เดียก็เลยเสียเสียคนรักบางคนเสียชีวิตเพราะว่าภูิใจทําใจไม่ได้ แต่บางคนเนี่ยยังมีคนมนึงเนี่ยแกก็ทุกสักพักแล้วก็ได้คิดนะว่าเออ น, น้ําท่วมเนี่ยมันมาสอนให้เราเห็นนะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยสิ่งทั้งหลายที่เรามีเนี่ยไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเลยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้วไม่นานมันก็ไปจากเราน้ําพัดไปบ้างน้าท่วมบ้างไฟไหม้บ้างคนขโมยไปบ้าง อันนี้คือธรรมนะธรรมะธรรมะที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงถามว่าได้ธรรมะหรนธรรมะได้จากอะไรก็าจากความทุกข์จากความสูญเสียนะฮะเงความทุกข์เนี่มันสอนธรรมให้กับเรานะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นนักศึกษา ตอนปีสาเนี่ยเธอเป็นได้รับเลือกเป็นดาวมาเช่ไหรเธอสวยแล้วมีช่วงหนึ่งเนี่ยเธอได้ติดต่อกับผู้ชายคนนึงรู้จักกันตอนนั้นสมัยยังไม่มี f a c e b o o นะมันมีโซเชียลมีเดียแต่ว่า Facebook ยังไม่ดังมีการติดต่อกันทางบล็อกทางทางโปรแกรมต่างๆแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยที่ติดต่อกับเธอเนี่ยก็เกิดหลงรักเธอเพราะเธอสวยแต่พอได้เจอตัวกัน เขาก็รู้ว่าเธอก็เพียงแต่พบเข้าแบบเพื่อนไม่ได้รักกันอยแฟนเขาโกรธมากแล้วแก้แค้นด้วยกันเอาน้ำน้กรดเนี่ยสาดหน้าเธอเสียโฉมเลยนะตาบอดเลยข้างนคุณนึกดูนะคนที่เคยภูมิใจในความสวยของตัวนี่แล้ววันนี้เนี่ยหน้าเนี่ยเสียโฉมตาบอดเนี่ยอยากจะอยู่ไหมอยากตายที่นั่นไหม แต่ว่าเรื่องที่จะไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่านึกถึงแม่แต่สุดท้ายก็ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นทนไม่ได้รู้สึก อ, อายถ้าเกิดคนที่รู้จักเห็นที่เคยเห็นเธอสวยงามเนี่ยมาเห็นเธอในสภาพนี้ก็เลยย้ายบ้านไปเลยแต่ว่าในช่วงปีสองปีต่อมาในชีวิตเธอเปลี่ยนจิตเธอพลิกนะ เธอไม่รู้สึกอับอายกับหน้าต่างเธอทุกเช้าเธอไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งเป็นพนัก ง, งาน call center เ, เ, เธอก็ไม่เคยปิดบังหน้าต่างตัวใครมาทักพาเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็ตอบว่าใช่ถูกต้องแล้วค่นะเคยมีคนถามเธอว่าเธอโกรธผู้ชายคนนั้นไหมเบอกเธอไม่โกรธเลยให้อภยัยเธอพูดถึงขั้นว่าต้องขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนั้น เหตุการ์ที่เธอถูกนําโปรศาสตร์หน้าเพราะว่ามันทําให้เธอได้เรียนรู้หลายอย่างมันทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเธอหลายอย่างอย่างน้อยสองข้อข้อแรกคือมันทําให้เธออยู่กับพ่อแม่มากขึงเธออยู่เต็กบ้านมากขึ้นเพราะถ้าเธอยังสวยเพ่งเนี่ยก็คงจะหลงหลายแสงสีมีคนชักชวนไปเที่ยวนอนเที่ยวนี่ที่เธออยู่กับบ้านมากขึ้นข้อ2สําคัญที่สุดเธอบอกว่าเนี่ย แก่อ น, นเธอเป็นคนที่ยึดติดถือมั่นมา ก, มา ก, มากเจออะไรก็ยึดติดแล้วก็ไม่พอใจเมื่อมันไม่เป็นไปดั่งใจแต่พอเกิด เ, เหตุการณ์เนี้มันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นในงางที่เป็นผู้ใหญ่คือว่าถ้าไม่รู้ว่าหน้าตาของเธอเนี่ยสังขารเธอมันไม่เทีย่ยงถึงแม้ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ไม่ช้าก็าเร็วมก็ต้องเสื่อมไปนะ เงแต่ว่าของเธอเนี่ยมันกรองยังเธอเนี่ยมันมันเกิดก่อนหมายถึงว่าเกิดก่อนที่จะแก่ก่อนเกิดก่อนที่จะมันชราแต่มันทําให้เธอรได้ปล่อยวางเร็วขึ้นแล้วเธอก็บอกว่านับแต่นั้นไปนับแต่นั้นมาเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยเธอปล่อยวางได้ง่ายเพราะมันเล็กน้อยมากเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอคือเมื่อถูกน้ํำกรดสาดหน้าเธอเห็นธรร เห็นธรรมอะไรเห็นธรความไม่เที่ยงของสังขารและเห็นว่าความทุกข์เกิดจากการยึดติดเมื่อปล่อยวางเมื่อไหรใจก็ไม่ทุกข์เช่นพอเธอปล่อยวางเรื่องหน้าตาเธอเนี่ยเธอก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้หลอดทุกข์ทำให้เห็นธรรมทุกข์ไม่ใช่เพียงแค่ผลักให้เข้าหาธรรมเท่านั้นแต่ทุกข์ยังทำให้เห็นธรรมด้วยนะเพราะจริงๆทุกข์เนี่ยคือธรรมมา ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกเนี่ยนะมันมระโยชน์ถ้าเรารู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกวิธีถ้าเราเจอทุกแล้วเราไม่มีสติจากทุกกายก็เป็นทุกใจจากการเสียทรัพย์ก็กลายเป็นการเสียจริตหรือถึงไม่เสียจริต ก, ก็เสียใจ เสียสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียงานเสียการเพราะไม่มีกรติกระใจจะทำงานไม่ว่าจะเป็นเพราะเสียทรัพ์ถูกโกรหรือว่าคนรักตายจากเสียใจเสียสุขภาพนะเสียงานแล้วก็เสียผู้เสียผลมันเป็นขบวนเลยนเปนวนเลยนะถ้าเกี่ยวข้องกับทุกไม่เป็นแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับทุกเป็นเนี่ยนะ มันเห็นธรรมและทําให้เกิดจิจตใจที่เป็นสุขด้วย น, นี่พระเจ้าเนี่ยจุดจัดนะในอริยสัจสีนะว่าทุกเนี่ยนะเราควรเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องพระเจ้าใช้คว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ทุกไม่ใช่เป่นสิ่งตองรานะในอริยสัจสี่เนี่ยทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องราสิ่งที่ต้องรากคือสมุทยัย แต่ว่าทุกข์เป็นสิงต้องรู้รู้นี่ในที่นี้ฉันเรยกว่าปัญญาปัญญาแต่ว่ารู้รู้รอบและถ้าเรารู้ทุกข์เนี่ยนะแค่รู้ทุกข์เนี่ยมันก็ทําให้ไม่ทุกข์ได้แค่รู้ทุกข์เนี่ยก็ทําให้ไม่ทุกข์หรือทําให้คนทุกข์ได้รู้ทุกข์นี่มีความหมายว่าอย่างไรอย่างแรกเลยความหมายมันขึ้นก็คือว่าเมื่อเวลาเราทุกข์ก็รู้ตัวว่าเราทุกข์ รู้ตัวว่าเราโกโรธรู้ตัวว่าเราเศร้าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเศร้าเวลาโกโรธไม่รู้ตัวนะเวลาเศร้าก็จมอยู่ในความเศร้าเวลาโกรธก็จมอยู่ในความโกโรธแล้วก็คิดแต่จะบุ่งร้ายคิดแต่จะทำร้ายคิดแต่จะพูดร้ายจิตมันส่งออกนอกหมดไม่กลับมาดูตัวแต่ทํอย่าง ท, ที่รู้ตัวว่าโกโรธนี่นะความโกโรธมันหายไป มีเพื่ อ, ตอนตมาคนตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยปี4อยู่คณะสังคมงสังคมที่ธรรมศาสตร์เนี่ยปีสุดท้ายต้องไปฝึกงานแกก็อยากไปฝึกงานกับองค์กรชาวบ้านที่ภาคอีสานแต่อาจารย์เนี่ยอให้ไปฝึกงานกับหน่วยราชการก็ความที่ไม่ตรงกันก็คุยกันคุยไปคุ ย, ค ย, ค ย, คยมาหลายรอบสุดท้ายก็ตกตัวว่ไปช่วยไปฝึกงานกับองค์กรที่ทํางานกับชาวเขากันทางภาคเหนือ แต่พอแกไปถึงเชียงใหม่รู้พิว่าอาจารย์ให้เป็นทางานากับกรมประชาสงเครที่ทํางานากับชาวเขาแกช่วยนยังผิดข้อตกลงไม่พอใจโกรธอาจารย์คือนั้นเนี่ยคุ่นคิดทั้งวันด้วยความขุ่นเคืองวันลุ่งขึนอาจารย์ที่ปรึก ษ, ษามาคนละคนกันที่เคยตกลง ก, กันเอาไว้แต่ไม่ว่าเป็นใครก็ตามนั่ยทั้งสาก็โกรธนะถือว่าเป็นพูกเดียวกันก็บวยวายใส่อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่อธิบายแกเขไม่ฟังแต่อาจารย์ก็ดีนะหนักแน่นมันคงแทนที่จะโกรธ น, นักศึกษาก็กลับมาก็พยายามชี้แจงจุดหนึ่งเนี่ยถึงจุดนึงก็พูดกับนักศึกษาว่าสุนทิศศาสคิวเธอเนี่ยถูผูกเป็นโบเลยนะคิวเธอนี่ผูกเป็นโบเลยนะนักศึกษาพอได้ยินนะรู้ตัวเลยว่าโกรธ ตอนนั้นลืมตัวไปเลยนะไม่รู้ตัวว่าโกรธรู้แต่ว่าจะเถียงจะเสียงจะว่าพออาจารย์ทั้งยังรู้เลยนะว่าโกรธพอรู้ตัวว่าโกรธนะความโกรธมันตับไปเลยมันหายไปเลยนะนี่จะเป็นเหตุผล น, นี่เป็นปรากฏเป็นเหตุการณ์สําคัญอย่างนี้ทําให้นักศึกษาเนี่ยคนเนี้ยสนใจเรื่องสมาธิสนใจเรื่องการจุลสติว่โอ้สติมันมั น, ม, นมันทําได้ขนาดนี้เฉยเลยนะคือพอรู้ตัวเท่นั้นนะ่ะ ความทุกข์มันหายไปเลยก็เลยมาบวชนะทุกวันนี้ก็ยังบวชอยู่อันนี้คือความหมายว่ารู้ทุกข์เนี่ยคือในความหมายพื้นฐาเนเลยคือรู้ตัวว่าทุกข์รู้ตัวว่าโกรธนะไอนน้ความรู้นี่มันสําคัญนะเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ทาไงตัดความกวดให้ขาดอันนี้ตะมาชื่อเป็นคําถามของหลายคน อยากจะรู้หลวปู่ ด, ดูลโถโลท่านเป็นศิริรุ่นแรกของกลุ่มั่นปุริทัตโตเนี่ยท่านตอบน่าสนใจตอบว่าไม่มีใครตัดความเป็นนิสัยได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองนะรู้ทันก็คือรู้ว่าโกรธนะรู้ว่าความโ ก, กรธกําลังเกิดขึ้นรู้รู้ทุกเนี่ยนะนะคือรู้ตัวว่า โกรธรู้ตัวว่าทุกข์รู้ตัวว่าเศร้าความหมายที่เลื่อนลงไปต่งนั้นคือคือเมื่อความทุกข์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นมันรู้ทันมันการรู้ทันเนี่ยทำให้เราไม่เป็นผู้โกรธทำให้เราไม่เป็นผู้ทุกข์คนส่วนให ญ, ญ่เวลาเวลามีความทุกข์เนี่ยพอไม่รู้ทันนะเป็นผู้ทุกข์เลยเป็นผู้โกรธเ็นผู้เศร้า แต่ถ้าเรารู้ทุกจริงนะเราจะ เ, เราจะเห็นเลยนะว่าความโกรธก็อันนึงนะมันไม่ใช่โราโกรธหลวงพ่อเห็นสุวรรณโรท่านใช้ฉันก็ว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นอะไรเห็นทุกไม่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกนะอันนี้ต้องอาศัยสตินะนะความทุกเนี่ยนะถ้าเห็นเนี่ยนะเห็นด้วยสติมันก็จะไม่เป็นไม่เป็นทุก เห็นทุกไม่เหมือนกับเป็นทุกเมื่อเราเห็นเนี่ยมันจะไม่ไปยึดมั่นว่าความทุกนั้นเป็นเราเป็ของเราความปวดนั้นเป็นเราเป็นของเราเห็นกับเป็นไม่เหมือนกันอาจารย์ประสงค์ปริพุนโนเล่าว่าเคยเคยไปเจอไปสนทนากับเป็นคนหนึ่งนั้นเด็กผู้ยญงอายุแปดขวบ แปดขวบนะเด็กเนี่ยฉลาดนะก็เลยคุยกันอยู่พักใหญ่เสร็จแล้วหลวงพ่อประสองค์อาจารย์ปรสงค์บอกว่าเออหนูเป็นเด็กฉลาดนะหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูแล้วท่านก็หยิบลูกกระคำมาจากย่ามเด็กพ่อเห็นเด็กก็ร้องอูู้เพราะอาจารย์ปสงค์ก็ถามว่าหนูร้องอูู้หนูเห็นอะไรเด็กตอบว่ายัางไงฮะ เด็ตอว่าหนูเห็นข right ้างในมันดีใจครับเด็กไม่ตอบว่าหนูดีใจนะข้างในดีใจกับหนูดีใจต่างกันไหมต่างครับข้างในมันโกรธกับหนูโกรธต่างกันไหมข้างในมันเศร้ากับหนูเศร้ามันต่างกันไมมันต่างกันเยอะเลยเด็กเห็นนะเด็กรู้เลยนะว่าเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจครับเด็กไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจนะนี่อะไรเรียกว่ารู้นะ นี่เรียกว่าเห็นไม่เป็นแล้วถ้าเราเอาเอาเห็นเนี่ยไปไปใช้กับทุกข์นะไปใช้กับความเศร้าวความโกรธมันก็จะเห็นความโกรธเห็นความเศร้าแต่ไม่เป็นผู้เศร้าไม่เป็นผู้โกรธอจาจัประส่งถามเด็กต่อเลยว่าเราดูทําไมกำมันเด็กตอบว่าหนูไม่ทําอะไรกำมันค่ะหนูก็ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันเบาลงแล้วความดีใจมันหายไปแ ล, ล้ว ก็มาที่หลวงปู่ดูล่วงนะว่าแค่รู้ทนนันมันมันก็ดับไปเองแหละแต่ถ้าปฏิบัติทําหลายคนนี่ไม่เก็ตตรงนี้น ะ, จะเจริญสติไปทําสมาธิางไงก็ไม่ทราบนะก็จะไปคิดจะไปข่มไปกดมันอยู่นั่นแหละแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่ทราบว่าวใครสอนนะแต่แก เ, เข้าใจนะเรื่องของสติแล้วรู้ทุกเนี่ยนะนอกจากรู้ตัวว่าทุกแล้วเนี่ยก็คือยัง ในความหายที่เือคือเห็นว่ามันเกิดขึ้นกับใจแต่ไม่ใช่เราเป็นเห็นไม้ก็ไปเป็นรู้ทุกต่อไปเนี่ยนะเห็นจะเรียกว่าเห็นทุกก็ได้คือเห็นว่าทุกมันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ใช่เราทุกทุกเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ใช่เราทุกเมื่อเกิดเมื่อมีความเจ็บความปวดความเมื่อย ก็เห็นว่ากายมันเจ็บการมันปวดมันมึนไม่ใช่เราปวดไม่ใช่เราเมื่อหอ า, าจารย์พระธรมท่านบอกว่านะว่าเนี่ยมันต่างกันนะความรู้สึกมันต่างกันทีเดียวนะเวลามีดบาดนี่นะความสวมมีดบาดนิ้วเนี่ยนะมันจะให้ความรู้สึกต่างากับความสวมมีดบาดปู่มีดบาดนิ้วกับมีดบาดกู่นี่ต่างกันไหมความรู้สึกอนะ เมื่อเห็นว่ามีบาดนิ้วเนี่ยนะมันจะรู้สึกเจ็บมาย ก, กว่าความรู้สึกว่ามีดบาดปูหรือมีดบาดฉันจะเห็นนี้ได้คือมันต้องมีสตินะเห็นว่าออกความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับนิ้วไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราความโศกความเศร้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตก็เหมือนกันนะเมื่อมันเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นกับใจแต่ไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเพราะตัวเรามันไม่มี มันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกมันมีแต่กายกับใจมีแต่รูปกับนานมการเห็นเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือเห็นความเจ็บเนี่ยเห็นด้วยสติเห็นด้วยสติก็คือเห็นว่าเออความเจ็บความปวดเนี่ยมันเกิดกับกายถ้าเห็นด้วยสติมันจะไม่เห็นมันจะไม่สำคัญไม่หมายว่าเราปวดเราเจ็บเมื่อมีความเศร้าความเสียใจเกิดขึ้นเนี่ย ก็จะเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นกับใจของเราในความเศร้าวความความโกรธเนี่ยแต่ไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเศร้าอันนี้เป็นการเห็นด้วยสติก็คือเห็นทุกข์เหมือนกันและเห็นทุกข์แบบนี้มันทําให้ใจไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่มีเราพูดทุกข์นี่และพอเห็นแล้วจากความทุกข์มันก็ดับไปความเศร้าวความโศกก็ดับไปจึงอยู่ในตอนนี้ที่เป็นความเจ็บความปวดเนี่ยมันยังอยู่ มันยังปวดอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์ละตัวยังเมื่อยขายังปวดแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะและถ้าเห็นไปถึงถ้าเห็นไม่ใช่เห็นด้วยสติเท่านั้นแต่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาคือเห็นเลยนะว่ามันไม่มีตัวเรามันมีแต่รูป ก, กับนามมีแต่กายกับใจเนี่ยปวดกายยังไงเนี่ยใจมัก็ยังไม่ทุกข์ เคยมีเรื่องเล่าว่าหลวงปู่บุดดาเนี่ยท่านไปท่านไปผ่าเ อ, อ า, านิ้วในตายออกหลวงปู่บุดดาท่านก็เป็นภารุ่นเดียวกับหลวงปู่ดุนนะมรณภาพประมี่สิบปีที่แล้วตอนที่มรณะภาพก็อายุร้อยปีผ่านิ้วในไตออกสักสิห้านาทีท่านก็บอกหมอว่าก็อ ย, อยังชั่วแล้วไม่เป็นไรแล้ะหมอก็ตกใจแไกใจว่าหลวงพ่อไม่ปวดเหรอคนที่เขา ถาน้อยกว่ท่านเนี่ยเขยังบอกว่ปวดเลยนี่หลวงพ่อแค่สิบห้าจิงแท้ก็จะกลับบ้านแล้วหลงพ่อไม่ปวดเลยแหลวงปู่ไม่ปวดเลยหลวงปู่ก็ตอบว่าปวดสิทำไมไม่ปวดนะร่างกายท่านก็เหมือนคนทั่วไปแหละแต่ใจไม่ได้ปวดด้วยนะใจไม่ได้ปวดด้วยที่ใจไม่ได้ปวดด้วยเพราะไม่ได้ทําให้สําคัญมากหมายว่าฉันปวด ท่านเห็นว่าที่ปวดนั้นคือกายปวดนะอันนี้ก็คือเห็นด้วยสติและด้วยปัญญาเลยะนะสติปัฏฐานสีเนี่ยเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเนี่ยความหมายนี้ก็คือว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่ากายเป็นกายเห็นว่าเวทนาเป็นเวทนาเห็นว่าจิตเป็นจิตเห็นว่าเวทนาเป็นเวทนาเห็นว่าความปวดเป็นความปวด ไม่ใช่เราปวดเห็นความปวดว่าเป็นความปวดไม่ใช่เราปวดหรือว่าไม่ใช่ว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราคนส่วนใหญ่เวลาปวดนี่ไม่ได้เห็นความปวดนะแต่มันเห็นว่าเราปวดไม่ได้เห็นความปวดเกิดขึ้นกับกายแต่รู้สึกสำคัญมากมาว่าเราปวดมันมีเราตลอดเวลาไอ้ตัวกูของปวดที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ทุกข์ใจมากขึ้น ที่กลุมตัวกูขงกูขึ้นมานพ่อไม่มีสติแล้วก็ขาดปัญญาเพราะนั้นเนี่ยคำว่ารู้ทุกเห็นทุกเนี่ยนะมันมันช่วยทําให้ทุกเนี่ยเรื่องออกไปจากใจได้ก็เพราะเห็นนี้นะนะรู้ทุกก็คือรู้ตัวว่าทุกนะหรือว่าเห็นทุกข์โดยไม่เป็นทุกนะเห็นว่าทุกขมันเกิดขึ้นกับการกับใจไม่ใช่เราทุก และถ้าเห็นไปถึงขั้นว่าทุกอย่างเป็นทุกหมดเนี่ยนะมันยิ่งพ้นทุกอย่างแท้จริงเลยรู้ทุกเนี่ยคือรู้ในทุกขสัตว์ทุกขสัตว์เนี่ยคืออริยสัจข้อแรกเนี่นะเป็นเรื่องความทุกใช่ไหมฮะถ้าเราสวดมนตธรรชาเนี่ยเรามันจะพูดตอนึงว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกแม้ความตายก็เป็นความแกก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกขแต่ทัางหมดจะไล่ออกมาและสุดตรงที่ว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันตั้งคาเป็นตัวทุก ก็คือว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยเป็นตัวทุกตัวทุกในที่นี้เนี่ยมันเป็นทุกในไตรักหมายถึงว่ามันนั้นมันไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดนั้นมันหมายความว่ามันต้องเสื่อมมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันตกอยู่แต่เพราะว่าที่บีบคั้นทุกอย่างไม่ว่าจะมีความรู้สึกหรือไม่รู้แล้วแต่เป็นทุกเป็นตัวทุกขอันนี้มันเป็นทุกบางคนเขาเรียกว่าทุกในอริยสัจไอทุกในไตรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา พูดง่ายคือว่าถ้าเรามองเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีปัญญาจนเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยนะมันมีแต่ต้องเสือ่อมต้องดับไปมันเหมือนของร้อนเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นกุ ญ, กญแจสําคัญทําให้พ้นทุกข์ได้เพราะว่าเมื่อเห็นแล้วก็จะไม่ยึดเพื่อเราถ้าเรารู้ว่าของที่อยู่ในมือเนี่ยนะมันไม่ใช่ทองมันไม่ใช่เงินแต่เป็นของร้อนมันเป็นฐานก้อนแดงๆเนี่ยมันเป็นของหนักเราจะถือต่อไปไหม แล้วก็วางแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นทองเห็นเพชรเนี่ย mm. ก็ยังเห็นว่ามันเป็นของสวยของงามไม่ได้เห็นตามความจริงของมันว่ามันเนี่ยคือตัวทุกข์อันนี้พ่อไมีปัญญาพ่อมีความหลงอยู่แต่พ่อมีปัญญาเห็นเนี่ยนะว่ามันเป็นตัวทุกข์เนี่ยก็ปล่อยเลยวางหลายคนที่เคยเคยเคยแบก เคยยึดเอาทรัพย์นะหรือว่าเคยแบกหีสมบัติเพราะคิดว่าในหีสมบัตินั้นเนี่ยมันเต็มไปได้วยเงินแบงก์ดอลลาร์แบงก์ยูโรแล้ววันเดีือนี้เพราะว่าในในนั้นเนี่ยมันเป็นแบงก์คงเต็กเนี่ยยังจะแบกมันอีกไหมไม่แบกใช่ไหมก็วางนะคือปัญญาเนี่ยการปัญญาปัญญา ท, ที่ที่เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงว่าเป็นทุกข์เนี่ย ที่มันต้องเสื่อมต้องดับมันเป็นของร้อนเนี่ยมันทําให้ปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้ก็เป็นสุขนะหลวงพ่ออรตมาเนี่ยตอนก่อนที่ท่านมรณภาพท่านก็เขียนท่านพูดไม่ไร้ลายท่านก็เขียนข้อความต่างๆเป็นธรรมะสอนลูกหลานสอนลูกศิษย์ก็มีก็มีตอนที่ท่านเขียนว่าเนี่ยเห็นทุกข์ก็พ้นทุกขนะ์หัวชื่อหัวข้อเนี่ย<ม>ก็เอามาจาก อเก่งของหลวงพ่อกนะ่อนที่ท่านจะม ร, รณาภาพเห็นทุกข์กคนทุกข์เห็นทุกข์และเบื้องแรกคือเห็นทุกข์โดยสติก็คือว่ารู้ว่าเราทุกข์รู้ว่าเรากลรธรู้ว่าเราเศร้าเห็นทุกข์แล้วไม่เป็นผู้ทุกข์นะเมื่อไม่เป็นผู้ทุกข์เนี้ยจันทร์ก็ปกติอันนี้เราเห็นด้วยสติต่อมานี้เห็นด้วยปัญญานะมีข้อความใน เป็นพุทธภาษิตบอกว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนือยน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานคำว่าเห็นเนี่ยเห็นด้วยสติก็ได้เห็นด้วยปัญญาก็ได้และเห็นทั้งสองอย่างังต้องอาศัยสติประฐานสี่นะ ใหม่ๆเราก็เห็นด้วยสติก่อนนะเจริญสติไปก็เห็นนะเห็นกายเห็นใจเห็นความเกิดเกิดขึ้นกับใจเห็นเวทนาเกิดขึ้นกับกายต่อไปเห็นเห็นมากๆเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแล้วเห็นว่ากายและใจก็ไม่เที่ยงกายและใจก็เป็นทุกข์ไม่ใช่กายและใจอย่างเดียวสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับเราก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นของร้อนก็ทําให้ไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นทุกอาจจะมีความหมายว่าไม่ไม่งามก็ได้นะไม่งามไม่น่ายินดีพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนในในคืนสุดท้ายก่อนที่จะตัดสุบสัมมาสัมพุทธญาณเนี่ยรงเกิดนิมิตอยู่หประการหนึ่งในหนะ้านันคือว่าพระองค์ฝั น, เ, นเป็นนิมิตเนี่ยเห็นภูเขาเนี สูงใหญ่แต่ภูเขาเนี่ยไม่เหมือนภูเขาธรรมดามันเป็นภูเขาอาจมอาจมนะฮะทั้งภูเขาเลยแล้วพระองค์เนี่ยก็เสด็จขึ้นไปเดินบนภูเขานั้นแต่ปรกฏว่าอาจมเนี่ยไม่ติดไม่ติดพราวารากายเลยเดินได้อย่างสบายโดยที่ไม่เปื้อนไม่แปกเปืเป้อน นี่ไมน้นี่นบอกว่าพระองค์เนี่ยจะตัดสรุปพระสมมาสมพุทธญาณความหมายมันแ ป, นแปลว่าอะไร ม, มันหมายความว่าพระองค์จะไม่ติดในการสะสมจะไม่ติดในทรัพย์ในทรัพย์สินเงินทองนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับอาจมนะซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็นคนทั่วไปจะมองว่าเป็นของดีของงามของวิเศษแต่พวกมีปัญญาจนเห็นว่าของพวกนี้เนี่ยมันไม่ไม่ใช่ดีไม่ใช่งามมันเป็นของที่ไม่ ไม่งามันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกเพื่อนพระองค์ผู้เจ้าบางครั้งก็เปรียบเคยเคยตากผ้าอนนลนะว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะจำนวนมากเนี่ยวิ่งร้อนรอนแล้วป๋าก็ว่าบอกว่าร้อน บอกว่าร้อนร้อนในมือเนี่ยก็ถือถือคบไฟที่มันมันไหมนะ้แล้วก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนคบไฟมันก็ไหม้ลามมาที่มือนะแล้วก็บอกว่าร้อนแล้วก็วิ่งวุ่นนะด้วยความทุกข์แล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนฉลาดก็บอกว่า ให้วางครบไฟนั้นลงเส็จก็จะหายร้อนแต่ก็ไม่มีใครยอมวางเอาแต่บ่นว่าร้อนร้อนร้อนอันนี้เป็นอุ ป, ปมาอุปไม้นะว่าคนทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละก็คือบอกว่าทุกบอกว่าทุกบอกว่าทุกแต่พอมีพอมีคนมาบอกว่าเนี่ยให้วางเสร็ไอ้สิ่งที่ท่านยึดถือเนี่ยมันทาให้ทุกมันเป็นของร้อน ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางสิ่งที่ยึดเอาไว้นั่นคืออะไรก็คือสังขารร่างกายก็คือเงินทองก็คือทรัพย์สมบัติทั้งที่มันเป็นทั้งทั้งที่มันเป็นที่หมายความทุกขและทุกคนก็ไม่อยากจะทุกแต่ก็ไม่ยอมปล่อยปล่อยในที่นี้เนี่ย ไม่แต่หมายถึงว่าไม่เกี่ยวข้องกับมันนะแต่หมายถึงว่าใจเนี่ยวางใจนี่ไม่ยึดนะทรัพย์สมบัติยังมีอยู่แต่ว่าใช้มันอย่างไม่ยึดมั่นถือมันกับมันสังขารก็มีอยู่ร่างกายก็ยังมีอยู่ก็ดูแลมันแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นใช้มันเหมือนกับพาหานะที่จะพาเราไป ถึงฟังนะคําว่าปล่อยในที่นี้แม่แปลว่าไม่ยุ่งเกี่ยวไม่เอาอะไรเลยนะหมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าเป็นการปล่อยที่ใจมีแต่ว่าไม่ยึดนะนี่แหละความหมายที่ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เนี่ยนะมนันคืออันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์เนี่ยนะก็คือเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นตัวทุกข์ แล้วก็ไม่ยึดมาถือมัน ก, กับมันยังใช้มันอยู่แต่ใช้มันอย่างเป็นนายมีโทรศัพท์ก็ยังใช้อยู่นะแต่ไม่ไม่ใช่ยอมตัวเป็นทาสมันทุกวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเราปล่อยให้ทรัพย์สมบัติมาเป็นนายเราเงินทองเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีนะเป็นนายที่เลวโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีนะเป็นนายที่เลวนะ แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ย ไ, ไม่ได้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะแต่โทรศัพท์ใช้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยภายใน15น า, า, าทีนะ 80% ของคนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะจะทําอะไรก่อนเปิดโทรศัพท์เช็คข้อความภายใน15น า, า, าทีเมื่อตื่นนอนอันนี้มันใช้เราแล้วไม่ใช่เราใช้มันพอพอจะไม่มีพอ พอเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยแตเตอรี่เริ่มหมดนะกระสับกระสายนะจะต้องหาที่หาปลั๊กคอยเสียบนะนี่มันสั่งเราแล้วนะมันใช้เราให้หาหาปลั๊กมาต่อชีวิตมันนะเวลาหายเดี๋ยวทุกเนี่ยแสดงว่ามันเป็นนายเราอันนี้เรียกว่ายิดมันถิตมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า ปล่อยวางเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรไม่มีเลยแต่มีได้แต่ใช้มันอย่างผู้เป็นนายไม่ใช่ให้มันมาใช้เราถือว่ามันเป็นบ่าวนะอย่าปล่อยให้มันเป็นนายเรายึดมันถือมันเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นนายเราทันทีที่เราเรายึดว่ามันเป็นของเรานะเราเป็นของมันทันทีเลยทันทีที่เราที่เรายึดว่ารถเป็นของเรานะเราเป็นของรถทันที มีรอยขีดรอยข่วนไปโมโหยิ่งลูกเนี่ยมาทํารอยขีดรอยข่วนยิ่งบางตีลูกไม่ยั้งเลยแสงว่าแรไมันเป็นนายเราถ้าเพชรถ้าเรายื้อเพชรเป็นของเราเมื่อไหร่นะเราเป็นของมันทันทีไฟไหม้เนี่ยเพชรอ ย, อยู่ในบ้านเนี่ยพร้อมที่จะยอมตายเพื่อไปเอามันออกมามีเงินอยู่ในกระเป๋าโดนมาป้นบอกให้เอาเงินมา หลายคนยอมตายเพื่อมันยอมตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้อันนี้เรียกว่าเราเป็นมันเป็นของเราเราเป็นของมันนะไอ้ถ้ายอมตายเพื่อมันแสดงว่าเราเป็นของมันแล้วไม่ใช่มันเป็นของเราอันนี้พราะไม่เห็นทุกข์ไงฮะเพราะฉะนั้นครัว่าพนเห็นทุกข์กับคนทุกข์เนี่ยนะมันมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะที่อยากจะเชิญชวนให้เราได้พิจารณา เวลามีความทุกข์ทีไรเนี่ยอย่าอย่าอย่าเผือใจเป็นผู้ทุกข์ให้ใคร่ควรให้ตั้งสติแล้วก็ลองพิจารณานี่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่าทุกข์มีไว้เห็นไม่ใช่เอาไว้เป็นนะทุกข์มีไว้เห็นทุกข์มีไว้ใคร่ควรไม่ใช่ค่คําครวญมีทุกข์ทีไรเนี่ยไข่ครวรซะอันนี้ได้กําไรถ้ามีทุกข์แล้วคร่ำควรวญเนี่ยขาดทุนนะ อาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะก็คว่ า, าคงจะได้เป็นญาคิดให้กับญาติโยมนะก็ขออัุโมทนาทุกท่านนะที่ได้มาฟังธรรมในเช้าวันนี้ทั้งจากอาจารย์สุตภีคุณ ท, ทองแล้วก็จากอาตมาท้าสุดนี้ขออ้างคุณพระเศัตนาตรายัยทำหน่วยเผย ล, ลให้ทุกท่านได้เฉลยโดยอายุวันนะสุขภรลละเพื่อจะได้มีความเพียรในการปฏิบัติธรรม นำพาจิตให้เข้าถึงภาวะที่เป็นกุศลสามารถพาตนออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระิพาเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเธิดครับขอขบคุณอาจารย์นะครับได้เตาแสดงคำทงหมดนะครับอาจารย์ได้ชี้แจงพวกเราได้สรางกันนะครับว่าความพูดไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากวนะครับไม่เป็นสิ่งที่ลรายนะครับพวกเรามีสตินะครับก็ แก้ไขผุ้ด้วยทางถต้องนะครับความรู้ก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะความรุ้นี้จะเป็นแรงต่างๆนะครับให้เราได้เข้หาหาธรรมะนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ทุก